ยันชนะต่างๆมันผิดนี่ยที่ไม่ได้สวยก็ตามมันความติดปากชินใจมาตั้งแต่พรนศาแล้วน่าสวยปะติงโง่มาตั้งแต่พันศาแล้วจนจนมันได้มาจนตอนนี้มันก็ยังพอจําได้สวยผิดถูกตรงไหนมันก็พอรู้เพราะมันชินมันติดมันเป็นติดปากแล้ว สละสลาอีอีและที่กาละสักผิดตรงไหนมันรู้รู้นะกรสวดมามาหยุดตอนมาพักบ้างตอนนู้ยทรายนันสายปีก้ายสมาแล้วเริ่มพักตันงั่นนู้นมามาอยู่วัดป่าวันตาในก้ะทวงอ้นหนึ่งพอเป็นปฐมมือของวัดนี้เท่านั้นแหละเราจากนั้นมาแล้ว อ๋อไปสวดที่หัวหินปี505ร้คนหนึ่งถึงจาได้สวดนี้ถึงห้ 2, ไปสวดที่หัวหินวัดท่านเฉรวยไม่มีพมระปริโมกเราไปเยี่ยมบันนั้นพอปปอรีภาพปฏิโมกไม่มีเนี่ยเราเลยเป็นผู้สวด ตนันมาจงไม่สวดจป็นปนัญญามือห้าร้อยหาจำได้้เจ้าคุณธรรมเจดีไปพาตัดที่ศรีลานะออกนันผมไปผมไปหัวหินผมสวดในสวดอันนะั้นตอนนั้น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 ไม่มีสิ่งใดในโลกทั้งสามนี้จะแก้ปัญหานี้ให้เสร็จสิ้นลงไปได้หรืออย่างน้อยก็บาบางไม่มีมีพุทธศาสานานี้เท่านั้นเพราะทาไมถึงทราบว่ามีพุทธศาสานานเท่านั้นก็เพราะศาสนานี้แสดงถึงสัจธรรมทั้งสี่ประการนี่คือท ำ, ทำเครื่องสังหารวัตจักรโดยแท้อย่างอื่นไม่มีทาง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 สัจธรรมทั้งสีจึงเป็นเครื่องยืนยันหรือเป็นหลักใจของพระพุทธศาสนามาเป็นประจำศาสนานีไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นาศาสนาเอกขึ้นมาก็รับสรูรร้ทำสัจธรรมทั้งสีนี้และนำสัจธรรมทั้งสีนี้ประกาศกังวานแก่โลกเลื่อยมาจนกระทั่ ง, ถ, งถึงพวกเรานี่เป็นาศาสนธรรมหรือเป็นสัจธรรมที่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 ความจริงก็คือสังหารสิ่งที่เป็นฆาสศึกอุูภายในกิจใจนั่นแหละการสังหารเป็นประโยคอันสาคัญมากสำหรับผู้มุ่งหวังความพ้นทุกข์ต้องทำอย่างหนักมือศรัทธาเป็นศรัทธาตายเช่นเดียวกับเขาเข้าสู่แนวโกช น, นะเท่านั้นเป็นความมุ่งหมายของนักโลเอาไม่ช น, นะก็ตายเป็นความมุ่งหมายอย่างแรงกล้าของนักกในสงคราม นี่ก็เป็นเช่นเดียวกันเป็นความมุ่งหมายอย่างแรงกล้าของพระพธธุทธเจ้าที่จะประกาศธรรมสอนโลกให้ได้รู้ได้เห็นตามพระองค์ท่านในขณะเดียวกันก็เป็นการสังหารกิเลสซึ่งฝังแน่นอยู่ภายฝังจมอยู่ภายในจิตให้หลุดลอยออกไปได้ตรัสรู้หรือได้บรรลุธรรมตามสเสด็จพระพธธุทธเจ้าทัานดังพระเบญจวครีทั้งห้าเป็นตน้นนี่เป็นพระประสงค์ อย่างแรงกล้าของศาสดาองค์ปัจจุบันของเราฉะนั้นก็ลดย่อนกันลงไปตามกำลังวาฒนาของผู้จะก้าเดินได้เพียงใดและจะสังหารวัตตะวัตกิดสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อจิตใจนี้ได้มากน้อยเพียงไรเช่นสำเร็จเป็นไม่ได้พระ อ, ร, ะอรหัตตะบุเป็นพระอรหัตตบุ ค, คลก็ให้เป็นพระสกีทาคาบุ ค, คล ไม่ได้พระสกิทาไม่ได้พระอนาคาบุคคลก็ให้ได้พระสกิทาคาบุคคลหากไม่ได้ถึงขั้นพระสกิทาคาบุคคลก็ให้ได้ถึงพระโสดาบรรบุคคลหรือเป็นกัณยานุปุตชนเป็นลําดับ ล, ด ล, ลําดาลงมานี่เป็นผลพลอยได้ที่เพื่อนมาหรือว่าที่ลดหย่อนลงมาจากอันดับหนึ่งคืออรหัตตบุคคลซึ่งเป็น ภูมิที่สูงสุดจุดพ้นจากการเกิดแจกจบตายโดยประการทั้งปวงส่วนพระอนาคดิดนีก่อนดับดับรองลำดับลงมาก็คือพระอนาคามีท่านเหล่านี้ที่อยู่ของท่านเป็นความแน่นอน ตามขั้นภูมิแห่งธรรมของท่านที่แก่กล้ามีความเดือดล้าต่าสูงต่างกันอันดับแรกก็ไม่พ้นที่จะเกิดชั้นสุททวารในชั้นที่หนึ่งคืออวิหาชั้นที่สองตามภูมิแห่งกิจภูมิแห่งธรรมอัตตาชั้นที่สามสุตัสสาชั้นที่สี่สุตัสสี ชั้นที่ห้าเรียว่าแก่กล้าเต็มที่อากนิฐาเลยจากอากนาิฐานแล้วก็พ้นหลุดพ้นเข้ากล้าเข้าสูนิพพานนี่เป็นลำดับลำดามาเช่นนี้นี่เป็นพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าผู้ประทานพระศาสนาไว้ตลอดถึงการแนะนำสัจำสอนว์โลกทรงมีความมุ่งหมายอย่างนี้เป็นสมคัญในภายในพระไตร เราจะเห็นได้จากปัดชิมไมายามทรงเริงยานดูสัตวโลกว่าผู้ใดจะมาคล้องกับตาข่ายคือพระยานของพระโองค์และชีวิตจะมาถึงอย่างรวดเร็วทั้งๆ ท, ที่มีนิสัยอยู่นั้นก็นเสด็จไปโปรดคนนั้นก่อน และไปแสดงธรรมในสถานที่เนใดมีความมุ่งหมายอย่างแรงกล้าสำหรับธรรมประเภทสูงสุดนี้เป็นพื้นฐานของพระไทยแห่งพระพุทธเจ้าไม่ส่งลดละ mm hmm. ผลพายน้าก็ดังที่กล่าวนั้นแสดงธรรมแต่ละครั้งละครั้งด้วยความสั์ความจริงด้วยความรู้ความเห็นจากพระไทยของพระองค์จริงๆแสดงอย่างอาจฐานให้สัด บรรดาพู้ตบริษัททั้งหลายได้ทราบบางพวกได้สําเร็จพระอรหัตผลในขณะที่ฟังนั้นแหละบางพวกสําเร็จพระจักรีทาคาบางพวกสําเร็จพระนาค า, า, าบางพวกสําเร็จพระจักรีทาบางพวกสําเร็จพระะพรโสดาบางพวกก็เข้าถึงสนะเป็นกัณยาณนุปุตชนนี่เป็นผลพลอยได้โดยลําดับําดา เขาเรียกว่าผลมาตั้งแต่สุดยอดโดยลำดับลงมาดังที่กล่าวมานี้เป็นความมุ่งหมายของศาสดาที่ประธานพระโอาวาทไวและประธานทำแก่ โ, โลกตลอดนะเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาที่สำคัญมากในการแก้ความเกิดตายประจํากิจของสัตว์โลกให้บุดพ้นไปได้เป็นอันดับแรกอันดับต่อไปก็ตัด ทอวัตตะวนวัตตะจิตวัตจัตกที่แสนยืดยาวนั้นให้หดสั้นเข้ามาโดยลำดับํำดาจกนกระทั่งถึงกุดด้วนไปไม่มีอะไรเหลือภายใจิตใจกจลายเป็นใจที่บริสุทธิ์พุทโธขึ้นมาก็เพราะาศาสนธรรมเหล่านี้นี่จึงเรียกว่าเป็นาศนาสนาศาสาองค์เอกด้วยเป็นาศนาสนธรรมที่เอกด้วย พุทธศาสนานี่เป็นพุทธศาสนาที่เอกเอาอยากทราบพระพุทธศาสนาที่เอกให้ดำเนินตามปริญัติศึกษามาแล้วได้ยินได้ฟังจากครูจากอาจารย์มาแล้วเริ่มต้นตั้งแต่เกสาโรมานาคาทันทาตาตะโจ ท, ที่ได้รับมาจากคูชาเรียกว่าเป็นการศึกษาแล้วในเบื้องต้นแั้นดูตำลับตำราและฟังจากครูจากอาจารย์ไปประพฤติจากนั้นก่อนนำไปประพฤตปฏิบัติตามที่ท่านสอนนี้ จะไม่เป็นอื่นผลอย่างใดอย่างหนึ่งจะต้องได้อย่างแน่นอนเพราะทาเหล่านี้ตีตะล่ำเข้าสู่จุดอันเป็นผลที่จะได้ดังที่กล่าวมาแล้วทั้งนั้นนับแต่อรหัตบุคคลลงมาจนกระทั่งถึงกานยาณปุิุชนจะไม่นอกเหนือจากสวบัตขขิธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วด้วยการปฏิบัติของผู้ปฏิบเอาจิงเอาจังนี้เลยจะต้องปรากฏ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 พ่าไว้ว่าจิตคือนักท่องเที่ยวนั่นแหละท่านผู้ปฏิบัติเป็นผู้พูดออกมาเองด้วยความรู้จริงเห็นจริงจริงๆไม่ใช่มาพูดออกมาแบบโล่นเดาเกาหมัดผู้ปฏิบัติพูดตรงไหนถูกตรงนั้นเพราะท่านพูดออกมาจากภาคปฏิบัติของท่านความรู้เห็นของท่านประจับใจเต็มที่แล้วจึงสามารถพูดออกมาได้อย่างเต็มปากไม่กระดาบไม่จะทงกสะท้านนี่ท่านว่าจิตก็คือนักท่องเที่ยว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 แต่ภาคปฏิบัติไม่ปรากฏกิเลสตัวไหนจะเป็นตัวที่เปราะที่สุดหลุดลอไปโดยที่ไม่ได้ชำระสาสางกันบ้างเลยนั่นไม่เคยมีในธรรมของพระเจ้าจได้กล่าวไว้ว่าเปราะที่สุดบรรดาดรกิเลสหรือหลานเลนของกิเลสเปราะแม้ปู่ย่าตายายของกิเลส จ, จะเหนียวแน่นเกล็ดผูกมัดพวกเราก็ตามแต่เลนหลานเลนของกิเลสนั้นเปราะอย่างนี้ไม่เคยมีเพราะมันเป็นยังไง ปู่่าตายายเป็นไงล้านเลนมันเป็นอย่างนั้นมันเหนียวมันแน่นเหมือนกันหมดแสดงออกมาแต่ละอย่างไม่อย่างมีแต่ลวดลายของจิเดชทั้งนั้นที่จะทําให้เราลุม่มหลงแล้วยอมจานวนตามมันหาทาทางต่อสู้ไม่ได้เหนี่ยเรื่องของกิเดชเป็นเช่นนี้เพราะฉะนั้นจึงต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณาอย่างเอาจริงเอาจังสังเกตในภาคปฏิบัติ อย่างอื่นไม่ทราบจําก็จำไม่เฉยดังที่กล่าวนี่ไม่ไม่มีทางทราบเรื่องจิตจะถือเอาทั้งกายนี่เลยว่าเป็นตัวของเราร่างกายทั้งหมดเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องของธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟผสมกันเข้าด้วยอกิตเข้าไปอาศัยนี่แล้วว่าเป็นตัวทั้งหมดนี่ซึ่งผิดไม่มีอะไรที่จะให้อภัยเลยนอกจากมอพธิธีเอาขึ้นเฉียงไปเสียเท่านั้น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 ต้องไปาคาดคะเนถึงมรรคถึงผลว่าจะเกิดขึ้นเป็นยังไงต่อ ย, ยังไงระโาะตลอดถึงการวาดหอวิมานต่างๆขึ้นมาภารกิจใจห้ามทั้งนั้นให้มีความรู้อยู่อันเดียวกับลงนี่ให้มีความรู้อันเดียวอยู่กับคำว่าพุโทโธพุโทโธเป็นต้นนี้เท่านั้นแลกกิตก็ใช้สงบตัวเข้ามาทำด้วยความมีสติสติไม่มีม่าเป็นท่าต้องมีสติ บ, บังคับ อย่างอื่นเราเคยรู้ก็ เ, เห็นเคยได้ยินได้ฟังเคยสัมผัสสัมพันธ์มาแล้วไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งบัดนี้ตาหูจมูกเลี้ยงกายเพื่อทางออกของกิตที่จะไปสัมผัสสัมพันธ์นกับรูปเสียงทุนนท์และสิ่งต่างๆทั้งนั้นเแ่ป้ปรากฏเข้ามาสู่จิตใจมีแต่ความแผดความเผาหาความเป็นมรรคผลนิพพานเลิศประเสริฐที่ไหนมีตามหลักธรรมดาของกิเลสที่ฉุดล่าออกไปให้รู้หเห็นเป็นอย่างนั้นทีนี้จะให้ทําเป็น ผู้เป็นที่เกาะของจิตเช่นพุทโธเป็นต้นให้รู้อยู่กับคําบริกรรมนี่แล้วจิตจะสงบเข้ามาจิตเหนือความบังคับไปไม่ได้ตั้งแต่ตกิเลสบังคับจิตจิตยังต้องเป็นไปตามกิเลสเหตุใดธรรมะบังคับจิตจิตจะไม่เป็นไปตามธรรมมิไางเลยถ้าบังคับไม่ได้าศาสนามนีมาได้ยังไงพระพุทธเจ้าสอนโลกให้วิเศษไปไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนกี่ล้า น, านพระองค์แล้วสําหรับพระเป็นเป็นพรทร่รานหลานหลาน ยังกระตั้งถึงราระราบุคคลทุกประเภทมีแต่พระอรหันต์ทางนั้นกั่นกรองฉุดลากไปได้ยิ่เลสไม่ตัวใดไม่เคยฉุดลากคนให้เป็นอริยะบุคคลให้เป็นของประเสริฐได้เลยี่เห็นได้จึงต้องไปจะไปต้องไปสนใจกับความสัมผัสสัมพันธ์ทางตามหูตูมุกดิ้นกายอันเป็นเรื่องของจิตนักหน า, นาเราจะบังคับจิตใจของเราให้อยู่กับคำบริกรรมเพียงเท่านี้ตามการตามเวลาของเราที่จะทําทําไมจะทําไม่ได้ถ้าเราไม่จืดจงางสัศนไปจิตมัน เ่อยชาจะเกินไปเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นต้องให้หนักแน่นด้วยนักปฏิบัติทีเลศมันหนักแน่นขนาดไหนมาตั้งกับตั้งกันมันเคยอ่อนตัวเมื่อไหร่เราทำไมจึกอ่อนเปรียกอ่อนเปีย ก, อ, อ, ยกอยู่ตลอดเวลา ท, ทั้งทั้งที่บาเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมต้องให้มีความแข้มแข็งเอาให้ได้ให้จิตได้สงบให้เห็นต่อหน้าต่อตาเพราะพรุทธเจ้าสอนมาอย่างนี้แท้ๆ แ, แล้วผู้ปฏิบัติตามก็เคยรู้เคยเห็นมาเลยนี่นับจํานวนไม่ท้วนเลยทีเดียวในผลเป็นที่พอใจตามตเส็จพระพุทธเจ้าถันมีมากมาย นี่ด้วนแน่ตั้งแต่บังคับจิตเป็นของบังคับได้จิตเป็นของฝึกฝนทรมานได้มีความสงบให้เย็นลงไปได้เนี่ยเป็นขั้นๆตามขั้ น, ต า, นตามภูมิของการฝึกอบรมหลายขั้งละหนก็จะละเอียดลงไปทีนี้เมื่อจิตสงบตัวเข้าไปแล้วแสดงว่าจิตนี้พอไม่พึ่งพิงอาศัยกับสิ่งภายนอกแล้วมีตาหูจมูกเป็นทางเดินออกไปไม่ออกเข้าสู่ ควาเป็นหนึ่งคือรู้อยู่ดโดยลาพังตัวเองแ ม, แม้ที่สุดคําบริกรรมที่บริกรรมอยู่นั้นก็ปล่อยกันได้หรือคําบริกรรมกับความรู้นั้นกลมกลืนเป็นอันเดียวกันจะบริกรรมหรือไม่บริกรรมก็ตามก็คือรู้อยู่นั่นแหละเช่นพุทโธแปลว่าธรรมชาติที่รู้คําว่าพุโทโธกับความรู้กลมกลืนเป็นอันเดียวกันอลมหายใจก็เหมือนกันลราหายใจกับความรู้ละเอียดลงไปละเอียดลงไปจนกระทั่งถึงลมหายใจหายเงียบไปเลยในความรู้สึก แต่มันจะหายไปไหนก็ช่างเถิดลมไปตามมาวันทํำไมเรากําหนดลมก็เพื่อจะให้จิตไปยึดไปเกาะที่ลมมีจุดเดียวเพื่อให้จิตเป็นที่ยากยัง้งตัวเองให้เป็นที่เกาะทีนี้เวลาลมหมดไปจิตมันย้อนเข้ามาสู่ความเป็นตัวของตัวแล้วความรู้นี่ไม่หมดให้รู้อยู่กับความรู้นั้นนั่นหากรู้เองอันนี้เมื่อจิตลราถึงขั้นนี้แล้วเริ่มรู้แล้วทีนี้วาร่างกายเป็นอย่างหนึ่ง เป็นสิ่งหนึ่งต่างหาความรู้เป็นสิ่งหนึ่งต่างหานี่ภาคปฏิบัติทําให้เห็นรู้ในทำให้รู้ให้เห็นในตัวเองแหละไม่ต้องไปถามใครนี่แทา่านวัดสันทิทิโกเริ่มปรากฏแล้วแต่ก่อนความรู้นี้ซ่านไปหมดทั้งร่างกายนี้ถ้าว่าจิตก็เป็นไปหมดทั้งตัวว่าตัวเป็นไปหมดทั้งจิตจะแ ต, ต้องสัมผัสอะไรก็โดนแต่ตัวโดนแต่ตัวจะบังคับบัญชาตัวเพื่อ แล้วกับความภาคเพียรดัดสันดานกิเลสก็ไปโดนเราอยู่ในกิเลสมันเสียโดนกิเลสอยู่ในเรานังเสียสุดท้ายก็กล้าไม่ออกเพราะกลัวจะกิเลสจะเจ็บกลัวเราจะจะลําบากนี่มันคะเข้ากันไปถึงขนาดนั้นแล้วเราจะทําความเพียรได้ยังไงเพราะเราก็สงวนแล้วว่านี่ทั้งเราทั้งเป็นเราทั้งเจ็บนิดปวดหน่อยก็เพี้ดเป็นเราเจ็บปวดไปทั้งหมดได้สงวนไว้หมดที่มีแต่กิเลสจับ จ, จองหมดธรรมะเลยแยกไม่ออก เลยแทรกเข้าไม่ถึงซึมเข้าไม่ได้จุดท่าก็ได้แต่ความเจ็บปวดด่วนร้าวได้แต่ความเข็ดความหลับการนั่งภาวนาแต่ละครั้งละครั้งเหมือนจะเอาไปฆ่ามันเข็ดมันหลับนั่นคือสติสตังไม่มีสปัญญามไก่กรองไม่มีเมื่อเรื่องสี่กิเลสเอาไปกินหมดจนกระทั่งถึงความเข็ดหลับภาวนาเพื่อความเข็ดหลับก็ก็เรียกว่าขึ้นเคียวให้กิเลส ย, ยำอะไรที่อย่างนั้น ว่าลงไปให้มันเป็นความดูดดื่มเอาจนกระทั่งถึงวันนี้ได้ความเขารู้ความเข้าใจอย่างนี้นั่นเกิดความขายิมยิ้มย่องขึ้นแล้วอืศรัทธามีแล้วจากสันติเทโกคือความเห็นความรู้ความสงบอย่างใจของตนเองจากนั้นก็เริ่มเข้าไปจิตสงบแนวเข้าไปร่างกายนี่หายเจ็บหายปวดหายเหนื่อยหายหายเหนื่อยหายอะไรไปหมดเหลือแต่ความรู้เด่นเด่นอยู่กับตรงนั้นนี่แหละคือความรู้นี่ได้ได้เข้าแล้วอืม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 จะให้เป็นอย่างนั้นอีกหนึ่งหรือควรจะเป็นยิ่งกว่านั้นได้ยิ่งกว่านั้นหนึ่งเนี่ยสุดท้ายจิตก็สงบแนว่วความสงบของจิตนี่แหละเป็นเครื่องประกาศให้เราได้รู้ได้ชัดเจนว่าจิตกับกายเป็นอันหนึ่งต่างหากแยกจากกันโดยไม่ต้องไปถามใครสารพิสิโกรประกาศเองทีนี้เวลาจิตถอนออกมาหรือซ้านลองอไปสู่ร่างกาต่างๆมันก็รู้ชัดอยู่อย่างนั้นแหละ ว, ว่าจิตเป็นอันหนึ่งกายเป็นอันหนไม่ใช่อันเดียวกันนี่เป็นภาค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 ท่านเรียกว่าธาตุดินส่วนน้ําที่ซึมซาบอยู่ทั่วส า, า, ารพานาฬิกาเรียกว่าธาตุน้ําลมมีลมหายใจเป็นต้นเรียกธาตุลมไฟคือความอุ่นภายในร่างกายของเหล่านี้เรียกว่าธาตุไฟทั้งสี่อย่างนี้รวมตัวอยู่มีจิตเข้าไปแทรกจิงเป็นเจ้าเจ้าการเจ้าตัวการนรืเป็นเจ้าของอยู่นั้นสิ่งอันนี้จึงให้ชื่อขึ้นมาอีกว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาเป็นหญิงเป็นชายความจริงก็คือธาตุสดินน้ําลมไฟนั่นแหละโดยหลักธรรมชาติของมันนี่เราพิจารณาลงไปมันก็รู้ได้ชัด จากนั้นก็แยกออกด้วยทางปัญโดยทางปัญญาอันเห็นจะพูดทั้งเรื่องทางปฏิกูลก็เอาให้มันเห็นชัดอะไรจะปฏิกูลยิ่งกว่ามนุษย์วะชัดมันปฏิกูลที่ไหนเอามาเป็นอาหารเกื่อนตลาดไปนี่มนุษย์เอามาเป็นอาหารได้ยังไงมันต้องมันปฏิกูลขนาดไหนถึงน้ำเป็นเอามาเป็นอาหารมาได้แต่คือกันทั้งบ้านทั้งเมืองเอามนุษย์เข้าไปไว้ตลาดไหนตลาดนั้นแต่ถ้าเป็นสมัยทุกวันคนพอรู้ดีดูชั่วอยู่พอเป็นมนุษย์อยู่บ้างนะถ้าเป็นญาติไปแล้ว เอาอะไรมามันกินหมดไม่หรือวพิจารณาที่แยกเรื่องของปฏิกูลเรื่องอนิจจังทุกขงาาังอนัตตามันก็ประกาศกลางวานอยู่ในตัวของเราตลอดเวลาตามหลักความจริงทําไมที่ให้จิเลียสมันหลอกเอาว่าเป็นส่วนของสวยของงามมันงามที่ตรงไหนมันเสกันอยู่อย่างตลอดเวล า, า, ลาจีเลนนั่นแหละเสกร้อมตัวปลอมมันตัวเสกเก่งและและจิตเราเราก็พลอยปลอมปนมันก็ไปกับมันก็เลยเชื่อมันไปตามมันไปอย่างนั้นนี่ ยิ่ใช่มิวิปัสนาแยกทั้งที่ว่านี่หลายครั้งหลายหนก็ซึมทราบเข้าไปซึมทราบ้าไปเห็นความตามความจริงที่บุญเจ้าทรงสั่งสอนร่างๆร่างๆร่างๆเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อต่อไปก็แน่เข้าไปแน่เข้าไปชาดเข้าไปฮะว่ารูปคือธาตุสีดินน้ำลมไฟนี้ไม่เป็นเราแล้วอย่างไม่แล้วนั่นเวทนาคือความสุขความทุกข์เฉยๆในส่วนร่างกายนี้มันก็ไม่ใช่เราอีกนี่เราอย่าด่วนพูดถึงเรื่องผิด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 ถ้าเป็นจิตแล้วทำไมจะดับจิตไม่เคยดับสิ่งที่ออกไปเหล่านี้เรียกว่าอาการของจิตมันดับได้ทั้งนั้นแ่ะวิญญาณความรับทราบสามาสิ่งมาสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายมันรับทราบทั้งนั้นรับทราบในขณะใดสิ่งสัมผัสผ่านไปมันก็ดับไปพร้อมๆกันนั่นมันเอามันเป็นของเที่ยงเมื่อไรอันนี้จังตุกขังตาตาอยู่กับมันนั่นแหละเห็นทำมันเห็นชัดเจนจนกระทั่งแยกสี่ห้าอาการนี้ออกได้จา ก, กจิตนั่นนั่นจิตรู้ชัดแล้วนะ แยกได้แยกได้รู้เบชนะสัญญาสังขารวิญญาณอาการทั้งห้านี้ก็ไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่สิ่งนี้แต่เป็นอาการเพียงอาศัยกันอยู่มันรู้ได้อย่างชัดๆภายนจิตใจที้นี่ท่านเรียกว่าสันติติโกคือรู้เองเห็นเองอย่างนี้ประจักเข้าไปประจักเข้าไปสุดท้ายจนกระทั่งอันนี้ขาดสะบั้นออกไปเลยคําว่ารูปกายนี้ไม่ใช่เราแล้วก็ไม่ใช่ชัดๆจริงๆมันเห็นชัดเจนขาดสะบั้นออกจากจิตจริงๆ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 ว่ามันเกิดมันตายได้ยังไงอะไรพาเป็นพาให้มันเกิดมันตายนี่แหละฝังกันปัญญาฟาดลงไปตรงนี้นี่เราเหล่านี้จะเป็นเชื่อมันเป็ น, น, ปนขแขนงของของความเกิดขแขนงของอวิชชาอาวิชชาญาธาตุในความรู้ถ้าจะแปลเป็นทางปริยัตนนะิะเอาญาเป็นชาอาวิชชารู้แต่ไม่แจ้งไม่ชัดรู้อะไรก็รูป ด้นด้เ ด, ดาเไปอย่างนั้นแหละท่านเรียกว่าอาวิชชามันพาให้รู้แต่มันไม่มันไม่ได้จริงออรู้กับแบบรูปคำคำจะเรียกว่าอาวิชชารู้ไม่แจ้งไม่ชัดรู้หลงง ม, มงายท่านเรียกอ ว, วิชชาความหลงเนี่อ่ะอันนี้มันอยู่ที่ไหนเนี่ยดูไปรูปมันก็ไม่ใช่อวิชชามันไม่ใช่กิเลส ตาหูจมูกลิ้นกายมันไม่ใช่กิเลสเมื่อเวลาพิจารณาเข้าไปด้วยปัญญาแล้วมันต่างอันต่างจริงมันเป็นทางเดินของจิตเพียงเท่านั้นเช่นอย่างทางเราออกไปนู้นไปนี่นี่ทวารทั้งทั้งห้าทั้งหกนี่มันเป็นทางเดินของจิตทั้งนั้นมันไม่ใช่จิตนี่มันก็รู้ได้ชาดเนี่ยขาดตัดออกไปเวทนาสัญญาสังขานวิญญาณแต่และอย่างไม่อยางมันก็ไม่ใช่จิตนั่นมันตัดออกไปตัดระบายขาดไปนี่แหละท่านเรียกว่าตัดภพตัดชาติตัดเข้าไปอย่างนี้ภายในจิตภายในการปฏิบัติของผู้ปฏิบัตินั่นแหละ จะไปถามใครจะไปรอถามผู้เจ้าทุกประโยคได้เหรือพอ้ยเจ้าประทานมาแล้วทำมาทั้งหมดสอนพวกเรานี่สอนไปแล้วสวัสโตสวัสโตสวัสโตสว่างไอ่จารย์ไม่ชอบแล้วชอบแล้วเอาเดินตามนั้นเนี่ยพิสูจน์เข้าไปพิสูจน์เข้าไปด้วยปัญญาอย่างซางเข้าไปเห็ น, นชัดิต่อยล่อยมันต่อยเองนะเมื่อรู้ชันแล้วมันจะเคยถือมันแน่นขนาดไหนก็เถอะเช่นเดียวกับเขาจับคองูนั่นอะเข้าใจว่าเป็นอาหาร คว้าขึ้นมาจากสุ่มจากแห่จากที่ไหนก็แล้วแต่เถอะเข้าใจว่าเป็นอาหารอืมหรือเข้าใจว่าเป็นตาไหลคว้าในกำคอมันขึ้นมาพอยกขึ้นมาได้เห็นชัดเจนว่าเป็นงูเท่านั้นแหละสลัดเปึ่งเดียวเลยนั่นนี่ก็เหมือนกันเมื่อได้รู้ชัดว่าสิ่งนี้มันเป็นอับสลับพีดสลัดทันทีเลยนั่นแล้ววอะเรื่องเหลือแต่ความรู้มันเป็นยังไงที่นี่เมื่ออะไรก็ขาดไปหมดรูปก็ไม่ใช่เราเราไม่ใช่ลูกขาดกันแล้ว เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างอย่างไม่ใช่เราเราไม่ใช่สิ่งเหล่านี้แล้วมันอะไรเป็นเราเนี่ยเมื่อมันยังติดอยู่ตรงไหนมันจะว่านั่นเป็นเราเช่นติดอยู่ในจิตไม่คิดว่าจิตเป็นเรา่ะเอากันตรงนี้แหละเมื่อมันไม่หมดท้งสัมผัสสัมพันธ์หมดทางแก้ไขแล้วหรือมันรู้ชั้นแล้วตามมันยิงเนี่ยมันจะปล่อยด้วยกันทั้งนั้นไม่มีอะไรเหลือเช่นอย่างเราลบฆ่าสุดยิงไอ้คนนี้มันตายแล้วจะไปยิงมันอีกอะไรไปยิงคนที่ยังไม่ตายสิตัวคนไหนมันตายแล้วข้ามศพมันไป ยิ่งคนที่ยังไม่ตายอันนี้ก็เหมือนกันตัวไหนที่มันตายแล้วมันรู้แล้วชัดแล้วปล่อยวางแล้วข้ามมันไปข้ามมันไปจนกระทั่งถึงจุดใหญ่คือคือมหากษัตริย์วัตจักรวัตถิกิจได้แก่อะไรที่ได้แก่อวิชากลวิชากับกิจมันกลมกลืนเปนเดียวกันนี่นีการพิสูจน์เรื่องการเกิดตายพิสูจน์อย่างนี้ที่นักปฏิบัติถ้ามันเห็นชัดชัดย้ำว่าหลวงปู่ที่เจ้ามาสอนเลยถ้ามันเห็นตัวเองนี่ไปเลยธรรมะเป็นของปัจจุบันตลอดเวลา ถ้าเป็นตลาดก็ตลาดแห่งมรรคผลนิพพานมีการล่าสมัยที่ไหนนอกจากเราที่เองให้จิจพาล่าสมัยเนทะียนพอเข้าถึงตรงนี้แล้วมันจะ ไ, ไปไหนานาะคิดน่ะเคยพิจารณาลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือเคยพิจารณาอายุอนิจจังทุกขังรัตตามันปล่อยไปหมดเพราะมันอิ่มแล้วมันพอแล้วจะให้พิจารณาอะไรอีกมันรู้ จ, จกชั้นใดนาคิดนี้นะ่ะจึงเรียกว่าสันติเิโก มันสัมผัสสัมพันธ์ตรงไหนมันก็ลูกรามเข้าไปลูกลางไว้สติปัญญาจะต้องเจาะเข้าไปเจาะเข้าไปรู้เท่าตรงไหนมันปล่อยของมันปล่อยมันจนกระทั้งถึงเข้าจิตให้ปล่อยจิตที่นี่หนักมันติดมันยังไม่ยังไม่รู้เท่ามันไม่ปล่อยจิตมันติดอยู่กับจิตมันหลงอยู่ที่จิตเอาชงที่จิตสติปัญญาฟาดลงไปมันมีอะไรอยู่ที่นั่นค้นดูยับยับยับยับมาทีบ่าจะมาเป็นอาการห้าเป็นเวตนาสัญาสังขารมิญาตมันก็รู้ก็รู้มันยับดับยับดับค้นไปค้นมา เรเอานี้เราสรุปลงไปเลยนะนี่แหละปัญญาขั้นเทียบว่าภาวนามายะปัญญาเป็นอย่างอย่างที่อธิบายมาแล้วนี่แหละเลื่อยเลื่อยมาอย่างเนี้ยจนกระทั่งถึงขั้นนี้แล้วไม่มีอะไรที่จะพิจารณามีแต่อันเดียวมีอันเดียวความรู้ก็เด่นสว่างสวัยกสว่า ง, างองอาจกระหารก็มีอะไรเกินอวิชชามันึงหลอบโลกเลยอย่างสําคัญท<ห>่านโอภาษตโอภาษตนะทั้งที่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 ยิงฆ่าสึกมันตายเกลื่อนนั้นแหละมันข้ามข้ามศพไปข้ามศพไปข้ามศพไปมันไม่ไปติดใจกับพวกที่ตายแล้วเนี่ยมันติดใจกับผู้ที่ยังอยู่ใครเป็นผู้ยังอยู่ยังอยู่ตรงไหนมันค้นกันไานั่นนี่มันยังอยู่ที่จิตเชื่อธิดพาให้เกิดมันอยู่ที่จิตมันก็ค้นลงไปที่ตรงนั้นแยกกันตรงนั้นพิจารณาตรงนั้นเช่นเดียวกับพิจารณาสภาวธรรมทั้งหลายที่เคยผ่านมาแล้วรู้มาแล้วละมาแล้วนั้นสุดท้ายมันก็พังทลายเหมือนกันะ เมื่อธรรมชาติอันนี้ได้พังทลายลงไปแล้วนั่นล่ะครับบนเป็นสับพุทธิจารย์ทมาตรัสลูถ้าเป็นสับของสาวกเที่ยวบันลุทำแต่ว่าตรัสรูก็เป็นลายปลายทำตรงเดียวกันหัวใจพ้นจักรเสด็จอันเดียวกันแต่ว่าตรัสรูก็ได้เป็นอลายถึงขั้นนั้นและวิเศษที่สเต็มที่แล้วไม่มีอะไรจะเกินแด้ในสามโลกธาตุนี้ข้ามไปหมดแล้วนั่นนี่ที่นี่เป็นเครื่องรู้ร้อยเปอร์เ็นแล้วเริ่มรู้มาตั้งแต่น่นนั่นแหละไอ้เรื่องเกิดเรื่องตายมันติดสัมพันธ์สัพพันธ์กับอะไรมันก็็็เเปปนนพบชาติมันสืบเนนื่องกัไป สืบต่อขนแขนงกันไปพอตัดขาดเข้าไปขาดเข้าไปมันก็วงวงกแคบเข้ามาแคบเข้ามาจกนกระทั่งถึงตัวเชื้อที่ฝังอยู่ภายในจิตถอนกันออกมาอย่างแบบสลัดปัดทิ้งไม่มีอะไรเหลือแล้วทีนี้สิ่งที่เหลือคือความบริสุทธิ์ด้วนๆอวิชาจมไปหมดไม่มีอะไรเหลือนั่นนี่แหละตัวพายเกิดทีนี้ก็รู้ได้ชดัดนะทีทีนี้จะเอาอะไรไปเกิดอะเห็นกันอยู่เดี่ยวนี้รู้ตัวนี้จะไปเกิดที่ไหนที่นี้เอาเกิดที่ไหนล่ะ อะไรพาให้เกิดก็อันสิ่งที่มันดับปศรษกินี้พาให้เกิดนั่นมันรู้ชัดขนาดนั้นเลยแล้วที่นี่ไม่เกิดแล้วมันจะดับไหมกิดตรงนี้จะ อ, อะไรมาดับนั่นไม่เกิดด้วยไม่ดับด้วยนไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีคําว่ามีอยู่เช่นเดียวแบบโลกด้วยไม่ศูนย์แบบโลกด้วยมีอยู่แบบความบริสุทธิ์ออถ้าว่าศูนยญสูญแบบความบริสุทธิ์เหมือนอย่างวันที่ผ่านมีอยู่แบบนี้พ่านสูนย์แบบนี้ผ่านไม่ได้ศูนย์แบบโลกของสารนี่แหละธรรมะพระพุทธเจ้า ที่ว่าสอนทำสอนโลกสอน น, นี่เป็นอันดับแรกอันดับหนึ่งมีความทร ง, งมุ่งหมายจุดนี้เป็นสำคัญว่างศาสนาลงจากนั้นก็เป็นผลพลอยได้ผู้ใดควรจะได้ผลแบบใดแบบใดก็ดำเนินตามนั้นไม่เสียผลเสี ย, สยประโยชน์ชานาิธรรมจิ้มเกลียบเหมือนกับห้างร้านใหญ่ๆเอาเจ้าของตั้งราคาหนึ่งบาทขึ้นไปก็ได้ในในห้างนี้ไม่อดเ อ, เอาราคาเท่าไหร่ได้ราคาเท่าไหร่ได้เอาราคาเป็น หมื่นเป็นแสนเป็นล้านได้ได้หมดจนกระทั่งจะเอาเงินมากอ่อมาทั้งแผนดินมาซื้อของในร้านนี้ไม่มีอัน้นได้หมดนี่ก็เหมือนกันอา้าวผู้ที่ควรได้คุณงามความดีด้วยขนาดไหนด้วยการให้ทานด้วยการรักษาศินได้หมดด้วยการทอน า, า, นานประเภทไหนได้หมดถึงสมาทิพยวนาขนาดไห น, น, นได้หมดจนกระทั่งถึงอริยทรัพย์โสดาสกิทักขานนาคาได้จนกระทั่งถึงอรหันได้หมดนั่นฐานธรรมของพระพุทธเจ้ามีบกพรองที่ตรงไหน เอาให้เห็นีินักปฏิบัตินี่การพิสูจน์ภพชาติภาณิชยไม่มีวิชาใดที่จะสังหารวัตถกิจนี้ให้เป็นวิวัตกิจได้นอกจากพุทธศาสนานอกจ า, กาศาสนาธรรมมุนียาสนานวิชาเหล่านั้นมีแต่วิชาของกิเลสมาเสริมเป็นเครื่องเสริมมันกิเลสวิชากิเลสจะไปฆ่ากิเลสได้อย่างไงต้องวิชาทำที่จะดิ่าฆ่ากิเลสได้วิชากิเลสจะฆ่ากิเลสไม่ได้เลย มีเท่าไรเท่าไรเป็นกิเลสเป็นผู้ผิดท้เอยเอาไปให้มันหัวหลอกหรือจะไปฆ่าให้มันหัวหลอแล้วนี่วิชาอันนี้เครื่องมือนี้เราผิดท้นี้เอามาฆ่าเราได้งไงเองเราฟันหัวแกดูที่มันจะเลือดออกั้มมันจะเป็นยังไงนั่นใอ้กิเลสหลอกฟันหัวเจ้าของโดยซ้าไปาวิชาในะทางโลกเป็นอย่างนั้นมันหลอกอวิชาธรรมนิสังหาเป็นเครื่องสังานเจตพุทธศาสนานี้ยไม่ได้เกิดขึ้นจากผู้ใดผู้หนึ่งมาสอนนะเกิดขึ้นจากหลัก สยามภูของพระพุทธเจ้าทรงรู้เองเห็นเองนี่เป็นหลักธรรมชาติไม่มีใครจะสอนได้เลยที่เรียกวสยามภูเ ส, สียมภูทรงรู้เองเห็นเองทุกๆพระองค์อย่างพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ัย์สยามภูหากไม่ใช่ภูมิผู้ประกาศาศาสนาธรรมเท่านั้นเองส่วนศาสนาองค์เอกแต่ละพระองค์พระองค์นี้เป็นวิสัยของพระองค์ที่จะประกาศาาศาสนาธรรมสยามภูมเหมือนกันแต่ความรู้กว้างขวางมากมายอุบายวิธีการที่จะนํามาสั่งสอนต่าโลกมีมากทีเดียว นี่ยผู้นี่แหะผู้ประกาศสอนธรรมผู้ศรัทธานี่พร้อมบริบูรณ์เลยทีเดียววัตถกิจวัตถจักกิเลสเต็มหัวใจจะพังไปหมดไม่มีอะไรเหลือนอก เ, อเหลือกําลังของศาสนานี้ไปได้เลยนี่ครอบหมดพรานขอให้ทุกท่านนําไม่ึืชปฏิบัติอยาเข้าใจว่าตนนี่แก่มากไปตอนอ่อนมากไปตัวตนเป็นคนชิ้นั้นตนคนชิ้นนี้ย่าไปคิดให้กิเลสมันหลอกนิสัยวาสนาสร้างมาด้วยกันทุกคนอยึดในหัวใจด้วยกันทุกคนอืม จะว่ามากหรือน้อยก็สร้างอยู่ด้วยกันทุกคนนี่แหละไม่มีใครสร้างให้ใครได้ไม่มีใครดูของใครและสร้างเองต่างคนต่างมีกรรมกรรมดีกรรมชั่วมีเสวยผลนิบ่ากแห่งกรรมด้วยกันทั้งนั้นท่านจึงไม่ให้ประ ม, มาทนิสัยวาสนาของกันกันให้สร้างตัวเองให้ดีเอาให้ได้กิจเนี่ยตัววัตถกิจวัตถจักรนี่แหละตัวสร้างภพสร้งชาติคือกิเลสตัณหาอาซะี่กิเลสเป็นเหตุให้ทํากรรมนั่นเองระวังกิเนว่า ทำกรรมและผลต้องการเกิดขึ้นเป็นมัตรตวนสามท่านวะจะเป็นอะไรถ้าไม่ใช่ของกิเลสมันบอกกิเลสเป็น เ, เหตุแห่งทากรรมอ๋อหมดพานจิตใจแล้วอยู่ไหนมันก็สมายล้วไม่มีหลัากาว่าการสถานที่เวลาเวลาขึ้นชื่อว่าสมมุตไมมิไม่มีไม่มีที่เข้าไปแทรกในกจิตนั้นได้เลยนยากจะเอาอะไรมายุ่งทั้งใช่ มีความจงใจให้มีความมั่นใจให้มีหลักใจยารอแหละโยกโยกคลอนครเหมือนหลักปรับที่ฝวายการปฏิบัติธรรมสัง่งองต่างตั้งหน้าตังางตาประพฤติปฏิบัติอยู่ที่ไหนก็ให้เป็นเหมือนอยู่คนเดียวคนเดียวแล้วอยู่คนเดียวนั้นยังให้รู้เรื่องอารมณ์ของจิตที่ว่ามั่นปรุงอะไรบ้างให้นุ่น เรื่องอารมณ์บีลมทชั่วของตัวด้วยสติด้วยปัญญาของตัวเองนี่แหละที่ว่าผู้มีความเพียรตั้งใจคิปฏิบัติหยาลุ่นละความเพียรสติเป็นสำคัญในเรื่องความเพียรเรื่องพุทธศาสนานี้ไม่มีปัญหาอะไรแล้ว หลัหัวใจผมนี่ถ้าคาจะว่าบ้าาบ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพียวลงขนาดนั้นน่ะลงระพุทธเจา้าลงาศาสนาธรรมลงในสารทิริโกนี้ด้วยนะไม่ได้ว่าลงอะไรอะไรให้มันมันไม่ถนัดถ้าลงว่าสารทิริโกนี้หมดหมดพุงเลยหมดปัญหาอเอาแค่นี้ล่ะี่ไป ม, มีสิกมีรู้สึกนน <c oughs> ไม่มากนะัความรู้สึก